ถ้าเราจะเที่ยวกังโลกแล้วก็เป็นผู้ต้องขังมาตลอดเวลาพะนั้นคนที่เกิดอยู่ในเรือนจาโตในเรือนจำโตเนี่ยโตในห้องขังไม่มีวันออกมาดู โลกภายนอกอยู่แต่ในห้องอยู่ในห้องขังตั้งแต่เล็กจนโตถึงไม่ทราบว่าภายนอกเขามีอะไรกันความสุขความทุกข์ก็เห็นกันอยู่เพียงในเรือนจำไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกเขาหว่าเขามีความสุขความสบายเขามีอิสระยังไงบ้าง ความรึ่นลังมันถึงไปมาหาสุขไปแบบไหนมายังไงอยู่อย่างไงกันโลกภายนอกเขาอยู่กันยังไงไม่มีทางทราบได้ถ้าเราอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิด เ, ออเด็กอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิดนี่เราเป็นข้อเทียบเทียมความสุขความทุกข์เท่าที่มีอยู่ในนั้นไม่มีอะไรพิเศษไม่ได้มีอะไรได้ไปจากโลกนอก พอเข้าไปฝึงภายในเรือนจําให้ได้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากโลกในคือเรือนจําสิ่งนี้มาจากโลกนอกคือคือภายนอกจากเรือนจําเอามาเทียบเทียงกันพอให้ทราบว่านี่เป็นนั่นนั่นเป็นนั่นอันนั้นดีกว่านี้อันนี้ดีกว่านั่นอย่างนี้ไม่มีเพราะไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องของเรือนจํา ทุขหทุกข์มากน้อยเพียงไรออยากขาดแคลนลำบากลำบนถูกกดขี่บังคับขนาดไหนก็เคยเป็นมาอย่างนั้นดังด้งดังด้งตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไม่ทราบจะออกไปไหนจะปลดเครื่องตนไปได้ไยงไจะออกไปโลกนอกโลกนอกไม่ทราบอยู่ที่ไหนเาเห็นแต่โลกในโลกถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลากดขี่บังคับเีือนตีกันนี่ประมานกันอย่างนั้น อดๆ อ, อยากๆขาดๆแค่นๆตลอดถึงที่นอนหมอนมุ้งอาหารปัดใจมันอยู่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปะในลักษณะของนักโทษในเรือนจาทั้งหมดมันก็อยู่กันตายได้เพรามันไม่เคยเห็นลูกนอกว่เป็นยังไงพอทิจยาเข้าไปเทียบเสียง ว่าอันใดดีกว่าอันใดอันใดมีฝุกกว่าอะไรบ้างพอที่จะได้มีแก่จิตแก่ใจอยากตาะแสวงหาอยากออกไปสู่โลกภายนอกจิตที่ถูกควบคุมจากอนนานาจแห่งกิเลส อ, อาสวะทั้งหลายมันก็เป็นเป็นนั้นคือถูกคุมขังอยู่ด้วยกิเลสประเภทต่างๆตั้งแต่กลับไหนกันในเช่นเกิดมาในปัจจุบันนี้มันก็มีมาตั้งแต่วันเกิด ถูกควบคุมมาเรื่อยๆไม่เคยได้เป็นอิสระภายในตัวเองเลยถึงยากที่เราจะทราบได้ว่าความสุขที่นอกเหนือนไปจากอิทิที่เป็นอยู่เวลานี้หมือนคือความสุขอะไรมันเช่นเดียวกับคนที่เกิดอยู่ในเรือนํามาตั้งแต่เด็กไม่แ้ทราบว่าโลกนอกเขามีความสุขความรื่นเริงมันเพิินความสะดวกสบายอิสระของเขาเป็นยังไงไม่เคยเห็น เห็นแต่ถูกกดถูกขี่ถูกบังคับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครื่องบังคับให้รับความลำบากลําบนมีตลอดเวลาในจิตใจที่ถูกกีเหลืออาสะวะทั้งหลายบังคับกดขี่อยู่ตลอดเวลาก็เป็นลักษณะเช่นนั้นเป็นไม่ทราบว่าวะจะออกทางไหนไปอย่างไงโลกน่กเป็นโลกอย่างไงทำท่านประกาศสอนอยู่บ้างๆมันก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่ยังดี ที่ผู้สนใจมีบางแห่งบางสถานที่ไม่มีเลยว่าโลกนอกเป็นอย่างไรมม่มีใครประกาศไม่มีใครพูดให้ฟังไม่ทราบว่าศาสนาธรรมเป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรที่เกิดขึ้นจากอัจฉะธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี้ไม่ได้ยินเพราะไม่มีศาสนานี่เหมือนกับว่าโลกนอกไม่ปรากฏเลย มีแต่เดอนจาเท่านั้นเกิดมาในโลกนี้มีแต่โลกเดินจาเป็นผู้อยู่ที่อาศัยที่เป็นที่ตายอยู่นี่หมดนในจิตใจก็ไม่ทราบว่าอะไรที่จะให้ความสุขความสบายเป็นอิสระยิ่งกว่าความเป็นอยู่เวลานี้ถ้าจะเทียบเข้าไปอีกแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็ดเล่นงานอยู่ใต้ถึงบ้านถึงเดือนแค่แค่แค่แคอยู่นั้นตีโซก็ปลวกท้องหมุนขนาดไหนมันก็พอใจเล่น เขไม่เคยเห็นน้ำมหาสมุทรทะเลไม่เคยเห็นน้ำบึงน้ำบ่อที่ไหนที่กว้างขวางที่แยกร่ายหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบายมันเห็นแต่น้ำใต้ถึงบ้านถึงเดือนคี่เขาเทล่างสิ่นล่างของไปแล้วกตึกขังนั้นมันก็เล่นนันก็สนุกสนานอแยกว่ายทั้งมันได้ยกสะดวกสบายรื่นเริงเพราะเห็นไรเพราะไม่เคยเห็นน้ำที่ กว่าขงขวางในลึกยิ่งกว่านั้นพอที่ให้เกิดความรื่นเริงมันเพิ่ความสุขความสบายแต่การไปมาหรือการแบกไม้ร้างกางตัวได้รับความสะดวกสบายมันไม่เคยเห็นนั้นก็มีความลื่นเริงอยู่กับน้ําใต้ถึงบ้านทุงเดือนเป็นธรรมดาของเป็ดประเทศนี้ส่วนเป็ดที่เขาอยู่ตามลําคลองนั้นเป็นอีกอย่าง อ, อมันสนุกสนานที่จตาม ห่าน้องความบึงจะของไร่ไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเต็มถนนทนทางข้ามาถึงโอ้โหเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นมันเต็มเป็นร้อยๆเป็นพันๆมันเป็นเป็ดอีกปเภทหนึ่งนี่ได้แจออะไรก็เที่ยวเข้ามาก็น่าจะจิตที่ไม่เคยเห็นความสุขความสบายความลื่นเริงมันถึงที่เกิดขึ้นจากอาตมาทำซึ่งเป็นเช่นเดียวกับเป็ด เล่นน้ําในลําคลองนี้ในบึงบางต่างๆด้วยความสะดวกสบายเรามีความสุขกับความสุขด้วยอำนาจของกิเลสบังคับบัญชาอยู่นี้ที่เหมือนกระเวือนจังทีนี้เมื่อจิตได้รับการอบรมจากโลกนอกแล้วนี่อที่นี่โลกนอกหมายถึงธรรมออกมาจากโลกุตตรธรรม โน้นมาทางแดนนิทานลงมาโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงมนุษย์โลกท่านพี่แจงแสดงไว้หมดขั้นหมดภูมิทีเดียวผู้ที่มีปณิสัยมีความสนใจต่อโลกนอกต่อความสุขที่จะยิ่ยงกว่าไปกว่าความเป็นอยู่เวลานี้มีมเมื่อเรายินยังอัดยังทำและอ่านตามตำหนักตำลาเกี่ยวกับเรื่องโลกนอกคือเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความปวดเครื้อง ควาทุกข์ความทารมานที่ถูกบังคับขับสายอยู่ภายในจิตใจโดยลําดับลําดับแล้วจิตใจก็มีความเรื่นเบิมมันถึงมีความโพ อ, อพอใจสนใจที่อยากฟังสนใจอยากจะไปปฏิบัติจนปรากฏผลขึ้ น, นมาโดยลําดับลําดานั่นแหละเริ่มเห็นกระแสหองโลกนอกพาดพิงเข้ามาแล้ว้วจิตใจก็มีความยินรนที่จะพยายามแบบหวกว่อาออกให้พ้นจาก ความกดขี่บังคับซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจอันเกียบเหมือนนักโทษในเรือนจำวันนี้และยิ่งได้ปฏิบตัติทางหน้านจิตใจมีความสงบขึ้นมากมาเพียงใรความตะเกียบตะกายความอุตส่าพยายามก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นสติปัญญาก็ค่อยปรากฏค่อยปรากฏขึ้นมาเห็นโทษแห่งความกดขี่บังคับภายในจิตใจเห็นคุณค่าแห่งธรรม มันเป็นเครื่องปลกเครื่องและผลเกิดขึ้นจากการปลกเครื่องได้ได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นความสบายภายนจิตใจบบาอกเบาใจนีเป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยลําดับความอุตสาความพยายามความอดความทนมา ต, ตามๆกันมาทีเดียวสติปัญญาที่เคยนอนตรงอยู่ในตักแผลแต่ก่อนก็ค่อยฟื้นตัวตื่นขึ้ น, นมาค้นคิดพิพพจรารณา แม้สิ่งอันนี้จะเคยเป็นค่าขีดมานุ่มนานกระทบกระเทือนกันหนีทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เคยสนใจที่กอดเกิดความสนใจขึ้นมาอะไรมากระทบกระเทือนทางตาหูจ ม, มูกทิ้นกายใจซึ่งแต่ก่อนก็เหมือนคนตายถือเป็นธรรมธรรมดาธรรมดาไม่สะดุ้งไม่สะเทือนสติปัญญาเพะอะไรที่โคตร บ, บ้างเลยแต่เมื่อเข้าสู่กระแสแห่งธรรมในรับการอบรมในศซื่อสติปัญญาเห็นตั้งโทษเห็นตั้งคุณ ถ้าจักใจซึ่งเป็นของมี อ, อยู่ด้วยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจนี้แล้วจิตใจต้องมีความคล่องแคล่วที่จะคิดพินิจพิจรารณาเกิดความอาจหารขุดค้นเห็นทั้งโทษพยายามแก้เห็นทั้งคุณพยายามแบกไหวยพยายามส่งเสริมไปโดยลำดับลาดับนี่เรียกว่าจิตค่อยปลดเรื่องจากสิ่งกดขี่บังคับหรือจากเรือจ ออกได้โดยลําดับสลำดั บ, ดบยิ่งมองเห็นโลกนอกอีกด้วยอยากทิ้งโลกนอกเป็นโลกยังไงเหมือนดวนจําที่อยู่ในนิมัยตาก็ดึกพอมองเห็นโลกนอกเขาเขาเป็นอยู่ยังไงเขาไปมายังไงโลกนอกเราเป็นอยู่ยังไงภายในดวนจํัมความเป็นอยู่ภายในยกิเลสครอบงานี้เป็นยังไง ทางที่บาบางกิเลสออกไปโดยลําดับําัๆจิตใจมีความรู้สึกยังไงบ้างนี่มันเทียบกันโดยลําดับๆที่นี้มีโลกนอกตรงไหเข้าเทียบกันได้ที่นี่คือความสุขความทรมาร์ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขกิเลสออกได้เดิมดับก็ปรากฏความทุกข์ที่กิเลสยังมีบีบขั้นอยู่ก็ทราบทัดเห็นอยู่โทษพยายามแก้ไขยอยตลอดเวลาไม่ล้นละความภาคเพียร น, นี่แหละสติปัญญาศรัทธาความเพียรเริ่มหมุนตัว ตอนที่เห็นโลกเห็นทั้งโลกนอกมากน้อยและเห็นโทษทั้งโลกในที่กดถูกกดขี่บังคับมาเรื่อยๆแต่ก่อนไม่ทราบจะ อ, อะไรมาเทียบมันไม่เห็นไม่รู้เกิดขึ้นมาก็จมอยู่ในความทุกข์ความทรมานอย่างนี้พวามขึ้นชื่อว่าความสุขนั้นไม่ปรากฏจากโลกนอบเลยนี่คือไม่ปรากฏจากอาจจากธรรมเลยปรากฏก็ปรากฏแบบความสุขที่ความทุกข์รออยู่ฉากหลังที่คอยจะมาหยัดย่ําทำลาย หรือล้างความสุขนั้นให้หายไปดูําดับนี้ทีนี้เราได้เห็นความสุขภายนอกก็เห็นโลกจากโลกนอกก็เห็นความทุกข์ภายในยก็เห็นความสุขที่ภายในจิตใจมัก็เห็นหรือความสุขที่มีที่มีอยู่ที่อยู่ใต้อํานาจของกิเลสก็เห็นความทุกข์ที่อยู่ใต้อำ น, นาจของกิเลส ก, ก็เห็นรู้โดยสติปัญญาของตนเองประจักษ์กับใจหรือความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกนอกคือได้แจ้ง กระแสธรธรมที่ทราบซึ่งขรุขระจิตใจก็เห็นี่พอเป็นข้อเทียบเคียงกันไปโดยลำํำดับลํำดับการปฏิบัติโดยลําดับเห็นโลกนอกโลกในทั้งคุณและโทษเอามาประกอบเอามาเทียบเคียงกันโดยลำํำดับยิ่งจะเกิดความภาคเพียรความอดความทนขึ้นโดยลําดับลํำดับจนกระทั่งอะไรฐานเข้ามา ขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสซึ่งเคยกดขี่บังคับจิตใจแล้วต้องต่อสู้กันทันทีทันทีแก้ไขปวดเปื้อนรือร้ อ, อถอนกันโดยลําดับเพื่อหน้าแห่งสติปัญญามีความเลียนเป็นเครื่องยืนหลังจิตใจก็หมุนไปเองเมื่อความเห็นโทษมีมากความเห็นคุณมีมากความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดพ้นมีมากเพียงไร เรื่องความภาคเพียงก็ต้องมีมากความอดความทนตามๆกันมาเพราะอยู่ในใจดวงเดียวกันเห็นโทษก็เห็นใจทั้งดวงนั่นแหละใจทั้งดวงมันผู้เห็นโทษเห็นคุณก็ใจทั้งดวงมันผู้เห็นที่การที่พยายามแบบว่าด้วยวิธีใดตามความสามารถของตนก็เป็นเรื่องของใจทั้งดวงจะเป็นผู้ทําความพยายามเสรเครื่องตนเองน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอาการของจิตเป็นเครื่องสนับสนุนจิตกินมาพร้อมๆกันศรัทธาความเชื่อต่อมากต่อผล ความเชื่อต่อแดนพ้นทุกรือยะความภาคเพียรที่จะทำตัวให้ดุจพ้นไปโดยลำดับขันติความอดความทนเพื่อบึกบืนให้ผ่านพ้นไปได้ก็มาโดยลำดับมาพร้อมๆกันเลยสติปัญญาที่ใช่ควรไปตามแนวทางอันใดถูกอันใดผิดก็มาตา ม, ตามกันมานี่ถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมที่ทา่านกล่าวไว้ก็เรียว่ามัคคัชมงคี ค่อยรวมตัวเข้ามาอยู่ในจิตแหงจิตดวงเดียวนี้อะไรก็รวมเข้ามาสัมมาทิสติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันต์ตลอดสัมมาสมาธิรวมอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดไม่ไปที่อื่นสัมมากัมมันตะก็มีแต่เดินจมกรมนั่งสมาธิคอยแอดที่นี้เอกอัมมันต่างงานชอบในทางอื่นมันผ่านมาโดยลําดับพอเข้าถึงงานอันละเอียดรวมเข้ามาจิตเป็นมรรคสมัทัีคือมรรครวมตัวเข้ามาอู่จิตดวงเดียว สมมาทิฏฐิสัมมาสังปโปรได้แจ้งเรื่องของปัญญาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาเดี่ยวก็เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องจิ่ตต่างๆที่ปรากฏสัมผัดเกิดขึ้นระดับไปทั้งดีทั้งขั้วทั้งอดีตอนาคตที่เข้ามาปรกากฏภายนจิตใจสติปัญญาจะเป็นผู้ฟาดฟันหันแหลกไปโดยลำดัแบบไม่รอให้เสียย่ำเวล า, ะลานะสัมมากัมมันตาก็คือนั่งภาวนาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิในท่าต่างๆกัมมันตะการงานชอบอ เกี่ยวกับทางการก็ทำหนังนี้เ ก, กี่ยวกับทางใจก็วิริยะคือความภาพเปลี่ยนเนี่ยธรรมะอาชีวะพูดตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำสนทนา ก, ากันก็มีแต่สันเลขาทำได้แต่ทําเป็นเครื่องขัดเกลาหรือเป็นเครื่องล้างชาระล้างกิเลสอาชีวะออกพันใจิตใจแล้วจะทําด้วยวิธีใดกิเลสถึงจะออกหมดไปโดยสิ้นเชิงนี่ธรรมาวาจาธรรมะคำมันตะธรรมาอาชีวะอารมณ์อันใดที่เป็นข่าศึกต่อจิต เกี่ยวกับเลี้ยงจิดผิด อ, อารมณ์เป็นค่าผิบแต่จิตจิตต้องมีความมัวหมองจิตมีความมัวหมองไม่ใช่ของดีต้องเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจมากน้อยตามส่วนแห่งจิตที่มีความละเอียดขึ้นไปโดยลำดับอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นยาผิดเลี้ยงคิดไม่ชอบแก้ไขาทันทีทันทีอารมณ์ของใจที่เป็นไปเพื่อความรุ่นเริงเป็นไปเพื่อความขุดความสบายนั่นแหละคืออารมณ์ที่เหมาะสมกับจิตนีเป็นอาหารที่เหมาะสมเนี่ยเลี้ยงจิตชอบเอนี่ยลี้ยงเข้ามาตรงนี้กิน สมาวายมะเพียนชอบเพีย ง, เ พ, ยงเพียงอะไรนี่เราก็ทราบท่านบอกเพียงในที่สีสถานอะไรท่านมาพยายามละบากที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปบาป ค, คืออะไรก็คือความเศร้หมองความทุกข์นั่นเองละบากเยอะนะพยายามขั้นระวังจะให้บาปเกิดขึ้นก่อนระวงังจิตที่มันจะคิดเที่วกว้างเอาเรื่องความทุกข์ความทรมานเข้ามาสื่อใจนั่นเองเพราะความคิดความปรุงนั้นมันเป็นเรื่องของสมุทยพยายามระมัดระวังนักสานี่ แล้วสิ่งใดที่พยายามแก้ไขได้แล้วก็พยายาให้มันเกิดขึ้นอีกน่ะนั่นก็เป็นไงล้วพยายามจะโลนสิ่งที่เป็นกุศลเป็นความชันแย่สลัดให้นี้มากขึ้นโดยลำดับลำดับแน่ในสี่สถานจะมีที่ไหนสมปทารสี่ท่านว่าเออต้ก็อยู่ในที่นี่สมาสติก็ดูอยู่ในตัวของเรามันเคลื่อนไหวไปที่ไหนความรู้ความรู้ตัวรู้อยู่ตลอดเวลา อะไรจะมาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจะไม่เข้าไปสู่ใจจะไปที่ไหนใจเป็นสถานใหญ่โตคอยรับทราบเรื่องราวต่างๆทั้งดีทั้งทั่วจิตเป็นผู้วิณิชัยใข้ควรสติเป็นผู้คอยดูตรวจตาพาทีเสมอในเมื่ออันใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเป็นดีหรือเป็นชั่วอารมณ์ชนิดใดเนี่ยสติปัญญาไข้ควรเลือกเส้น ในอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาอนไรที่เห็นว่าไม่ชอบทำจิตมันจะสลับทันที ท, ทันทีคือปัญญานั่นแหละมันสลับปัดทิ้ง ท, ทัน ท, ทีทันทีเนี่ยสมาสมาธิอา้ามันมันม่ น, นอยู่ตลอดเวลานั่นระการหนึ่งในขณะที่เราจะเข้าสมาธิให้เป็นการพักผ่อนจิตเพื่อเป็นกําลังของปัญญาในการค้นคว้าต่อไปแล้วก็พักเสียพักในสมาธิคือเข้าสู่ความสงบได้จากหยุดการปรุงการแต่งการคิดค้นคว้าทางด้านปัญญาโดยการทั้งปลวง ให้จิตสงบตัวเข้ามาอยู่นิ่งๆอยู่อย่างสบายไม่ต้องคิดต้องปรุงอะไรซึ่งเป็นเรื่องของงานถ้าจิตให้สบายด้วยความมีอารมณ์เดียวหากว่าจิตมันมีความเพลิดเพลินต่อการพิจารณาไปมากมายกัดกองจะยับยั้งไว้ไม่ได้แล้วเอาพุโทโธเป็นเครื่องถูดล่าเข้ามาให้จิตอยู่กับพุโทโธคําบริกรรมกับพุโทโธนี้แม้จะเป็นความตรุงากา็ตามแต่เป็นความตรุงในจุดเดียวความปรุงในจุดเดียวนั้นเป็นเหตุที่จะให้จิตมีความสงบ ตัวได้ด้วยควาปรุงอันนั้นเช่นคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทพโธถามว่าจิตมันจะแยกออกไปทํางานเพราะความเพลิดเพลินในงานงานดังไม่เจ็บเราก็ให้พยายามกาหนดคําบริกรรมถี่ยึบเข้าไปไม่ยอมให้จิตนี้ออกไปทํางานหรือจิตขั้นที่เพลินต่องานมันเป็นมันมีเถอะไม่ได้จตกจะว่าเถอะมันก็พูดยากรามือไม่ได้วางนั้นปุ่นหน่อยเรารามือไม่ได้มันจะต้องโดดไปหางานเอาตอนนี้เราต้องให้ หนักแน่นในการบริกรรมบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวคือพุโทโธเป็นเพื่ อ, องยับยั้งจิตกำหนดพุดโทพโธวุทโธให้มันถี่ยึดอยู่นั้นแล้วกัพุโทโธกังบจิตเขาเป็นอันเดียวกันแน่วหลอกทั้งหมดพ อ, อดจิตสงบลงมาจิตก็สบายปล่อยวางงานอะไรทั้งหมดเย็นขึ้นมาซึ่งภายในใจิตใจนี่คือสมา ธ, สมาธิสมาธิที่ชอบในขณะที่จะพักต้องพักอย่างนี้ทั้งเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ชอบ พอสมควรหน้ากำลังแล้วพอเราปล่อยเท่านั้นน่ะจิตมันจะดีดทันทีเลยดีดออกจากความเป็นหนึ่งความเป็นอารมณ์อันเดียดนั้นจะสองกำงานลทีและทํางานไปอีกไม่ห่วงกับเรื่องของสมาธิในขณะที่ทํางานและในขณะที่ทําสมาธิให้มีความสงบก็ไม่ต้องห่วงกับงานเช่นเดียวกันขณะที่พักต้องพักเช่นเรารับทานก่อนรับทานในขณะที่รับทานไม่ต้องทํางานอะไรทั้งนั้นนอกจากทํางานในการรับทาน เราจะพักนอนหลับก่อนนอนหลับให้สบายๆในขณะที่หลับไม่ต้องประยุ่งกับงานอะไรทั้งหมดแต่เวลาทํางานแล้วเราไม่ต้องยุ่งในเรื่องการกินการนอนตั้งหน้าทํางานนี่ชื่อว่าทํางานเป็นชิ้นเป็นอันทํางานเป็นวักเป็นตอนทํางานถูกต้องโดยการโดยเวลาเหมาะสมกับเหตุการณ์เราเรียกว่าเป็นสมากมรมตากชอบงานประเภทนี้ชอบไม่ก้าวไายกันเป็นงานที่เหมาะสมเรื่องสมาธิต่อยไม่ได้ การปฏิบัติเพื่อความร่าเรื่นของใจเราจะเห็นว่าสมาธิอยู่เฉยเฉยไม่เกิดประโยชนไม่ถูกถ้าผู้ติดสมาธิไม่อยากจะออกทํางานเลยดัยงนั้นเห็นว่าถูกต้องการตมิสมาธิเพื่อให้ผูนั้นได้ถอนตัวออกมาทํางานแต่ถ้าจิตมีความเพลิดเพลินในงานแนละ้วเรื่องของสมาธิก็มีความจําเป็นในด้านหนึ่งในเวลาหนึ่งจนไดน้คนเราทํางานไม่พักผ่อนนอนหลับบ้างเลยเนี่ทํางานต่อไปไม่ได้อืม แม้จะรับทานอาหารมันเสียไปด้วยการรับทานก็ให้มันเสียไปผลที่ได้ก็คือธาตุขันธ์มีกําลังจากการรับทานได้กําลังวางชาขึ้นอาเพื่อประกอบการหน้าที่ทํางานต่อไปได้อีกเนี่ยเงินจะเสียไปข้าวของยิงอะไรต่างๆที่เรานํามาทานจะเสียไปเสียไปเพื่อเกิดประโยชน์เพื่อเป็นพลังในในร่างกายเรามันจะเป็นอะไรไปมันเสียไปเสียอย่างนี้ไม่เสียผลเสียประโยชน์อะไรถ้าไม่รับทานกําลังจะอามาจากไหนต้องรับทานเสียไปก็เสียไปเพื่อกําลัง เพืให้เกิดกำลังขึ้นมานี่การพักสมาธิในขณะที่พักให้มีความสงบความสงบนั่นแหละเป็นพลังของจิตที่จะหนุนทางด้านปัญญาได้อย่างคล่องแคล่วเราต้องพักให้มีความสงบถ้าไม่สงบเลยมีแต่ปัญญาเดินท่าเดียวก็เหมือนกับไม่ิดไม่รับเห็นพันทุกๆุกทิปทิไม่ทราบเอาสันลงเอาคมลงมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากถอดดักถอนโดยท่าเดียวโดยที่ปัญญาไม่รับเป็น สึ่งที่หนุนหลังคือความสงบเย็นใจให้เป็นกำลังตัวเองแล้วมันก็เหมือนที่มีดไม่ได้รับหินนั่ น, นอเองปั่นไปทุบๆทิ้ดๆไม่ให้ขาง่ายๆเสียกําลังบางชาตปเปล่าๆนีเพราะฉะนั้นเพืความเหมาะสมในขณะที่พัก ต, ต้องให้พักการพักผ่อนก็เหมือนกับว่ารับหินนับปัญญา น, นั่นเองพักท่าพั ก, พกขันคือจักร ก, กายก็มีกําลังพักจิต ก, ก็มีกําลังด้วยพอมีกําลังแล้วออกคราวนี้ก็เหมือนกับมีดได้รับหินแล้ว อารมณ์อันเก่านั่นแหละปัญญาอันเก่านั่นแหละผู้บำเพ็ญก็ผู้เก่านั่นแหละแต่กำหนดลงไปมันขาดทะลุไปเลยข้าวมีเหมือน ก, นกันกับคนที่มาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารให้สบายรับมีดรับท้าให้เยียบร้อยแล้วไปฟันไม้ท่อนนั้นแหละคนคนนั้นแหละมีดเลี่มนั่นแหละแต่มก็ขาดได้อย่างง่ายดายเพราะมีดก็แหลมมีดก็คมคนก็มีกำลังมีอารมณ์ก็อารมณ์อันนั้นแหละ ปัญญาก็ปัญญาอันนั้นแหละแต่ได้รับหินแล้วอืกําลังของจิตก็มีแล้วอเป็นเครื่องหมือปัญญาจิ้แทงทะลุปไปแล้วยอย่างรวดเร็วผิดกับเราไม่ทักในสมาธิเป็นไหนๆปัญหาเรื่องของสมาธิกับเรื่องปัญญาจิ้เป็นทำเกียเมื่อกันไปเดิมดับเป็นแต่เพียงว่าทํางานในวาระต่างกันเท่านั้นวาระนี้จะทําสมาธิก็ทําเสียวาระนี้จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เต็มอัด เต็มทำเป็นเม็ดเต็มหน่วยเป็มวิมกิตกำลังเราก็พิจารณามาให้เป็นเหตุเต็มผลเวลาจะพักก็พักให้เต็มที่เป็นฐานเหมือนกันเวลาให้ให้เป็นคนละละเวลาไม่ก้าวกากันทั้งจะพิจารณาทางด้านปัญญาทั้งเป็นห่วงสมาธิเวลาพิจารณาแล้วในเวลาที่เข้าสมาธิทั้งจะเป็นอารมณ์กับเรื่องปัญญาอันนี้ไม่ถูกจะปล่อยทั้งหมายจะทํางานอะไรให้ทําเถออย่างนั้นจริงๆ ให้เป็นชิ้นเป็นอันนี่เหมาะสมถูกต้องที่ว่าสัมมาสมาธิก็เป็นอย่างนี้เองเห็นเรื่องของกิเลสที่ว่ามันเป็นเพื่อนก ด, ดท่วมจิตใจจิตั้งเราเนี้เหมือนเป็นนักโทษกิเลสอาสวะทั้งหลายครอบงําจิตอยู่ตลอดเวลาบัางคับทรมานจิตใจมาตลอดตั้งแต่เกิดมานี่เมื่อปัญญาได้ถอดถอนออกโดยลําดับแล้วมันก็มีความสว่างสวยขึ้นมา ความเบาบางของจิตก็เป็นคุณอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่ก่สอสรงออได้เราก็เห็นคุณค่าของอันนี้เราพิจารณาไปเรื่อยๆอะไรรวมแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนพบชาติอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ใจดวงเดียวทั้งหมดนอกนั้นเป็นกินกลางสาขาเช่นออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปนั้นต้นของมันจริงอยู่ที่ใจเวลาเราพิจ า, ารณาสิ่งอนั้นรอกเข้ามารอกเข้ามาแล้วจะเข้ามาสู่ใน จิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดอวัตตาบนไม่ได้แก่อะไรได้จะจิต ด, ดวงเดียวนี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้เวียนเป็นผู้ท้าให้เกิดให้ต า, ามอยู่ตนี้เพราะอะไรเพราะเชื่องมันมีอยู่ภายใ น, นเมื่อไรชาติปัญญาพิจารณาค้นคว้าหเห็นคัดเจนลงตัดออกมาเข้าตัดเข้ามาเป็นลำดับลำดับลําดับจนกระทั่งถึงเข้าวถึงจิตซึ่งเป็นตัวการน้าคัญมีอธิชาเป็นสิ่งล้ำค่ามากที่อยู่เป็นเชื่อวัตตะอยู่ภายในใจิตใจ แยกแยกลงไปพิจารณาลงไปไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ว่านี่คือนั่นนั่นคือนั่นกําหนดลงไปให้หมดเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั่วไปแน้าจาจะมีความสว่างสวายขนาดไหนก็ตามก็ให้ทุกทราบว่านี้เป็นเรือนใจที่พอพักอาศัยไปชั่วการช่วงเวลาเท่านั้นหากยังไม่สามารถพิจารณาให้แตกกระจายลงไปได้แต่เราจะลืมว่าจิตที่มีความเด่นดวงนี่แหละคือดวงของวิชาแพร่ พิจารณาเอาเอาันนั้นแหะเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเป้าหมายของการพิจารณาเอา้าอันนี้จะสลายลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งผู้รู้ไม่ได้คิดหายจม ด, ด้วยกันก็ให้รู้จะถูกเราพิจารณาเพื่อรู้หาเพื่อรู้ความจริงให้เห็นเพื่อเพื่อเห็นความจริงเพื่อรู้ความจริงให้มันลงถึงเหตุถึงผลถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะคิดหายลงไป ใ, ให้คิดหายแม้ที่สุดผู้รู้ที่กําลังพิจารณานี้จะคิดหายไปตามเขาก็ให้รู้อาา่ เราไม่ต้องเหลือไว้ว่าเป็นอะไรเป็นเกาะเป็นดอนของเราอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเหลือไว้ทั้งนั้นเพื่อจะให้ถุงความกินไปด้วยกันหมดสิ่งที่เหลือนั่นแหละคือสิ่งที่หมดวิสัยของสมมติที่จะเอื้อมเข้าไปถึงจะไปทําลายได้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ธรรมชาติถึงความบริสุทธิ์นี้จะไมมีอะไรทําลายได้เลยวิเวณเป็นสิ่งสมมติมีเกิดขึ้นได้ดับแต่ได้เพราะฉะนั้นจป็นชาระได้ มีมากมูนขึ้นมาได้และทําให้ลดน้อยลงไปก็ได้ทําให้หมดสิ้นไปก็ได้เพราะเป็นเรื่องของสมมุติแต่จิตล้วนๆจึงเป็นธรรมชาติเดียกว่าวิมุตถ้าหลุดบริสุทธิ์แล้วเรียกว่าวิมุตถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นสมมตุติเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งสมมตินั้นแทรกตัวของมันอยู่เมื่อได้แก่อันนี้ออกจนหมดแล้วธรรมชาติที่เป็นวิมุตตนี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะทําอะไรไม่ต่อไปไม่นด้อีกก็ไม่ทราบจะทําอะไรให้เป็นไปได้อีก พรมันพร้นวิสัยที่จะทําแล้ววิสัยที่จะทำก็มีแต่เรื่องส ม, มุดต่าง น, นั้นเมื่อแก้สมุตดออกจากใจหมืดแล้วมันก็หมดวิสัยและอะไรกิบหายทิ่นี่ทุกก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปไม่รอดความดับทุกก็ดับไปมัดเครื่องประหานสมุทัยก็ดับไป ถ้าจะทําทั้งสี่ดับไปด้วยกันทั้งนั้นทุกก็ดับชโมยไทยก็ดับนิโรธก็ดับมรรคก็ดับะต่างเด็อะไรที่รู้วันนี้ทุกดับไปชโมยไทยดับไปนิโรธดับไปมรรคดับไปะอะไรที่รู้ว่าสิ่งนั้นนั้นดับไปผู้นี้เลยผู้ไม่ใช่สัจธรรมผู้นี้ผู้เหนือสัจธรรมการพิจารณาสัจธรรมพิจารณาเพื่อผู้นี้เท่านั้น เมื่อถึงตัวกินนี้แล้วสัจธรรมทั้งสี่ก็หมดความหมายไปเองโดยไม่ต้องไปชำระไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องไปปลดเปลื้องเช่นปัญญาเหล่านี้เวลานี้เราทํางานเต็มที่แล้วปัญญาเราปล่อยได้ไม่ต้องกระตั้งกําหนดไม่ต้องไปมีกาหนดกดเกณฑ์สติก็ดีปัญญาก็ดีซึ่งเป็นเครื่องรบสิ่งนี้เพราะค่าสึกสงครามมันหมดไปแล้วเรื่องนี้มันก็หมดปัญหา ม, มันไปเองน่าอะไรที่เหลือตู่ก็คือความมรึงุนัขหลักบุตรเจ้าที่นําไปสอนโลก ปรกาศทํามของโลกเอาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้แหละไปสอนสอนโลกหาสนธรรมออกจากธรรมชาติอันนี้ต้องและอุบายแห่งการสอนต้องสอนทั้งเรื่องของทุกข์ของสมุทยัยของนิโรธของมรรคเพราะอาการอันนั้นเป็นอาการเกี่ยวข้องกับจิดดวงนี้ให้รู้วิธีแก้ไขรู้วิธีดับรู้วิธีบําเพ็ญทุกสลิ่นทุกอย่างจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอันไม่ต้องพูดอะไรต่อไปอีกแล้วได้จากความมรยสุทธินี่ออกโลกนอกแล้วจริง ออกจากเรือนจังแล้วไปสู่โลกหน้านอกโลกอิสระเสรีโลกไม่ต้องถูกอะไรคุมขังเลยแล้วโลกนี้ไม่มีใครอยากไปกันเพราะไม่เคยเห็นนี่โลกอันนี้เป็นโลกสำคัญโลกุตละเป็นแดนสูงกว่าโลกแต่เราเทียบว่าโลกนอกนอกจากสมมุติทั้งหมดเราเรียกว่าโลกไปงั้นอ่ะเพราะโลกมีสมมุติก็ว่าไปงั้น มันพุ่งกันนามันออกจากที่คุมขังเมื่อไรเกิดก็เกิดในที่คุมขังอยู่ ก, ก, ก, ยก็อยู่งทิ้งขังตายก็ในที่คุมขังนี่นั่นนัไ่ได้ตายนอกจากเรือนจําทัศนีเอาะมันนอกเรือนจําทัศนีในแสนสบายแสนสบายนําพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านท่าก็เกิดในเรือนจำเหมือนกันแต่ท่านออกแตตายนอกเรือนจําอือออกแต่ตายนอกโลกน่ไม่ได้ตายในโลก กฎผีบังคับนี้ที่เจน า, าละการแสดงธรรมควเห็นว่าสวควรขอยุปติ